ทีนี้อันนี้ก็ประเด็นนี้ก็บอกว่าประเด็นที่บอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะพระเจ้ามิลินเขาถามคําถามที่ลักษณะว่าเอ๊ะท่านท่านดีจริงหรืออนะพระเวสสันดรเนี่ยยังเป็นคนปกติอยู่หรือเปล่าว่างั้นเถอะนะยังเป็นคนปกติมีสติมีปัญญามีพฤติกรรมอย่างไรอยู่หรือ นะซึ่งพระนาคเกสน์ก็ชี้แจงออกไปว่าท่านไม่ใช่เป็นคนโง่เขลาไม่ใช่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่มีความพินิษพิจารณาอะไรเป็นต้นไม่ใช่นะเพราะท่านมีคุณธรรมทั้ง10ประการไม่ติดข้องเป็นคนที่ไม่มีความอะไรเป็นคนที่เสียสละละกิเลสแล้วก็เป็นคนที่ไม่หัวกลับแปลว่าไม่เปลี่ยนใจสุขุมรอบคอบเป็นคนที่น่าบูชาแล้วก็เป็นใครที่ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจใจของท่านได้ง่ายเป็นคนที่หายากแล้วก็ไม่มีใคร เสมอเหมือนไม่มีใครเปรียบประกวงกันนี่ก็มาตั้งเป็นคำถามประเด็นใหม่ว่าพระคุณเจ้าผู้ใดให้ทานทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ทานนั้นมีวิบากเป็นุกเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ได้ด้วยหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำบุญแล้วแต่เป็นการทำบุญชนิดเรียกว่าให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะมันจะได้บุญหรือหรือได้สิมหาภพิต ฉชนไหนใครจะกล่าวถึงได้ทำไมจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วถึงการทำบุญถึงทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างแต่ก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญเอาละพระคุณเจ้าขอท่านโปรดชี้แจงเหตุผลด้วยเถอะอธิบายว่าทำไมทำไมทาให้ทาบุญโดยการทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วจึงได้บุญละ่ะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมก็คือมีพระอนะพระผู้มีศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นเกิดป่วยไข้ไม่สบายชาไปแถบหนึ่งจนง่อยเปรี้ยวไตก็ดีคือจนสุขภาพจนหนึ่งเราว่าเป็นอมตพลึกไปครึ่งตัวว่างั้นเถอะถึงความเป็นป่วยไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเดินก็นไม่ได้ มีชายคนหนึ่งใคร่ครบุญต้องการบุญประสงค์บุญยกสมณะหรือพรามผู้นั้นขึ้นยานภานะไปยานภานะโบราณก็คือเกวียนใช่ไหมก็เรียกว่ายกสายเกวียนขึ้นไปเสร็จ แ, แล้วก็ขับเกวีย น, นนั้นไปส่งถึงสถานที่ที่สมณะพรามหรือท่านต้องการขอถวายพระพรความสุขอะไรอะไรเพ่งบังเกิดแก่บุุษผู้นั้นเพราะเหตุที่ได้ทำกันนั้นบ้างหรือนอ กรรมนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อให้ได้สวรรค์หรือไม่ก็แปลว่าการรับส่งผู้มีศีลที่ไม่สบายเนี่ยนะชายที่รับส่งคนนั้นเนี่ยจะได้บุญไหมเพราะการกระทาของเขาเขาจะได้บุญไหมกรรมนั้นทําให้เขาเกิดในสวรรค์ได้ใช่ไหมเขาจะมีความสุขและเขาจะเกิดในสวรรค์ได้ไหมในฐานะเป็นคนที่รับส่งพระป่วยแบบนั้นเถอะ ใช่พระคุณเจ้าเส้ามิเินเนี่ยเข้าทางพระนักเกษตรนะใช่สิทําไมจะไม่ได้บุญเนะฉไหนใครจะกล่าวถึงบุรุษนั้นเนี่ย น, นะคือใครจะกล่าวถึงอนนี้ส่งกับบุรุษนั้นได้แบบเพราะบุรุษนั้นจะพึงได้รับยานช้างยานมายานรถอู้ต่อไปนะมันเขาไม่เดือดรอนเรื่องยานพาหนะหรอกเพราะเขารับส่งคนที่ควรรับส่งมีพระป่วยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาอยู่บนบกเขาก็ต้องมียานชนิดที่ใช้บนบกเขาอยู่ในน้ําเขาก็ต้องมีเรือชนิดที่ใช้ ในน้ำเนี่ยนะเพจริงอะนะบางคนเนี่ยขึ้นบกก็มีของใช้เนี่ยนะมียานพาหนะสะดวกสบายไปหมดลงน้ําก็มียานพาหนะเกี่ยวกับพายะน้ำเนี่ยนะบางคนในอย่างบางคนมีบุญมากก็มีอะไรมีมีอากาศยานเป็นของตัวเนี่ยนะก็เรียกว่ามีมีเรือประจําตัวมีรถประจําตัวแล้วก็มีเครื่องบินประจําตัวเนี่ยนะบางคนนี่มีบุญขนาดนั้นนะมีทั้ง3อย่างสมบูรณ์แบบเลยอย่างเจ็บโจกหรืออย่างประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ย จะมีเรือประจาตาแหน่งนะมีเรือเรือเดินทะเลเนี่ยเป็นเรือชั้นดีเนี่ยประจําตําแหน่งอยู่อย่างน้อยหนึ่งลำแล้วก็มีเครื่องบินที่ใช้พิเศษมีหอเป็นต้นมีเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพันจะลงน้ำหรือจะขึ้นบกหรือจะขึ้นอากาศแกก็สุกสวายหมดเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีคนแผนกอารักขาเนี่ยคนยอมพลีชีพตายแทนยยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะ แต่ว่าอันนี้บุญเก่ามันให้ผลนะไอตอนทําเหตุใหม่คนละเรื่องกันนะไม่ได้พุยประเด็นนี้คุยคนละประเด็นเน่นะไอ ต, ตรงบุญเก่ากับกรรมใหม่มันคนละอย่างกันเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยอาศัยบุญเก่าให้ผลแล้วก็ทําบาปใหม่ๆ ก, ก็อันนี้ก็เรื่องเฉพาะตัวไปนี่ยอดต่อไปนะพ้นบางคนเนี่ยที่มีบุญเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะหรื อ, อในหมู่ถ้าเกิดเข้าไปเป็นเทวดาก็จะได้รับญาณในพวก เรียว่ามี ม, มีมียานพาหนะของเทวดาถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาก็จะได้ยับยานพาหนะของมนุษย์เขาจะมียานพาหนะที่เหมาะสมแก่กรรมคือบุญที่เขาทำตามอนุโลมไปตามบุญอ น, นั้นจะพึงบังเกิดในทุกสถานที่ฉนั้นคนที่ทำบุญมาดีจะไม่เดือดร้อนในเรื่องอะนะก็คือคนที่ทำบุญไว้ดีเนี่ยนะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องอะไรสังเกตดูถ้าใครทาบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมากๆเขาจะไม่เดือดร้อนในเรื่องนั้น คนที่ให้ยานภานะมากๆเนี่ยนะให้ทานเกี่ยวกับยานภานะมากกลับเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องยานภาชนะเลยหรือคนที่ให้อาหารมากๆก็ไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องอาหารเลยคนที่บริจาคเสื้อผ้าให้ที่อยู่อาศัยเป็นเป็นทานมากบุคคลพวกนี้จะไม่เดือดร้อนในสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยก็อย่างที่ว่าในโลกนี้เป็นสมบัติของผู้มีบุญเพราะนั้นเขาทาบุญเอาไว้แล้วเนี่ยนะเขาจะเกิดณนะสถานที่ใดปอยู่ณนะแห่งใด บุญกรรมที่เขาทําก็จะอนุโลมเขาจะมียานไปในที่ทุกแห่งทั้งความสุขทั้งหลายที่เหมาะสมแก่กรรมนั้นที่อนุโลมแก่กรรมนั้นก็จะพึงบังเกิดแก่เขาตัวเขาเองก็ละจากสุขคติก็ต้องสู่สุขคติ อย่างเช่นจากมนุษย์สู่มนุษย์จากเทวดาสู่เทวดาจากเทวดาสู่มนุษย์จากมนุษย์สู่เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะจะพึ่งย่างขึ้นสู่อิทธิยานขณะเดียวกันบุญอันนี้ก็ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เขาปฏิบัติในอริยมรรคญาณไปสู่นิพพานที่เขาปรารถนาได้ด้วยการจัดแจงแห่งกรรมนั้นนั่นแหละนะบุญอันนั้นที่เขาส่งเป็นฐานะเนี่ยนะเป็นปัจจัยเนี่ยเขามี พระพุทธเจ้ามีพระเทระบางรูปเนี่ยนะในอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นเต่าเคยเป็นเต่าที่พาพระพุทธเจ้าข้ามฟากเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสงค์จากข้ามฟากอันนก็เต่านี้ก็มาใกล้ๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เหยียบบนหลังเต่าแล้วก็เต่าพาพระพุทธเจ้าข้ามฟากบอกด้วยบุญอันนั้นเป็นปจัจจัยตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันเนี่ยนะท่านในอภิธา น, นี่จะกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะไอญ า, านพานะเหล่านี้เป็นเหตุให้ประสบความสุขเนี่ยนะ ทีนี้คำตอบของพระเจ้ามิลินนี่ก็ถือว่าเข้าทางพระนาคเกินคือคือพระเจ้ามิลินเนี่ยลืมสำเนียกไปนะก็ตอบตรงที่บุญไปนะในจริงเข้าทางมาแล้วละ่ะพระนาคเกินก็เลยสวนกลับมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าทานที่บุรุษให้นั้นเนี่ยคนที่ขับยานเนี่ยนะพาคนอื่นไปส่งเนี่ยนะโดยมีการทำให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์ย่อมมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์อยู่หรือ พราะอะไรทําไมว่าไอ้คนที่ขับเกวียนไปส่งเขาเนี่ยชื่อว่าทําสัตว์อื่นให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเหตุที่บุรุษนั้นทําโครปริพัตทั้งหลายให้ทุกข์นะอ้าวถ้าขับเกวียนไปส่งเขากลัวสบายไหมล่ะวัวก็เดือดร้อนอยู่แล้ววัวก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วทําไมเขาจึงได้รับความสุขเห็นตา น, นี้ล่ะใช่ไหมทาสัตว์อื่นให้ถึงทุกข์แล้วทาไมท่านได้บุญอยงั้นนะเพราะงั้นก็ชั้นใดก็ดีอยากจะบอกว่า พระเวสสันดรก็ฉันนั้นถึงทําลูกที่บริจาคลูกออกไปถึงลูกจะทุกข์อ่ะนะแต่พระโพธิสัตว์ก็ได้บุญเนี่ยนะก็ได้บุญขอถวายพระพรขอพระองค์จงทรงสดับเหตุผลยิ่งขึ้นไปแม้ข้ออื่นอีกเถิดเพราะเพราะเหตุใดทานที่พระโพธิสัตว์มอบให้โดยมีการทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์จึงมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ขอถวายพระพร พระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในโลกนี้รับสั่งให้มีการประกาศพระราชองค์การเก็บภาษีโดยชอบทำนำมาถวายทานคือพระราชาเนี่ยนะประชาชนที่ทำมาหากินเนี่ยทำงานสบายไหมไม่สบายแต่ก็ได้ภาษีที่มาจากประชาชนก็เอาไปถวายพระราชาพระราชาก็เอาสวยอากรที่ประชาชนส่งให้นั่นแหละไปบริจาคทานขอถวายพระพร ถ้า ร, ราชาพระองค์นั้นเนี่ยทรงได้รับความสุขอะไรอะไรเพราะเหตุที่ทรงได้ถวายทานนั้นหรือหนอทานที่พระองค์ถวายนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์หรือหนอใช่แล้วพระคุณเจ้าฉะนนใครจะกล่าวถึงได้เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงถวายทานนั้นพระราชาพระองค์นั้นจะทรงได้รับผลหลายแสนเท่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะพระองค์จะได้รับผลบุญอย่างมากมาย จะทรงเป็นพระาราชายิ่งกว่าพระราชาทั้งหลายเพราะเป็นพระราชาที่ให้ทานใช่ไหมพระองค์จะเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลายเพราะพระองค์ให้ทานพระองค์จะเป็นพรมยิ่งกว่าพรมทั้งหลายเพราะพระองค์ให้ทานเพราะถ้าพระองค์ออกบวชนะจะทรงเป็นสมณะที่ยิ่งกว่าสมณะทั้งหลายสมณะผู้ให้ทานกับสมณะที่ไม่ให้ทานเนี่ยต่างกันเยอะเหมือนกันพระองค์จะทรงเป็นพราหมณ์ยิ่งกว่าพราหมณ์ทั้งหลายพระองค์จะเป็นพระรหารที่ยิ่งกว่าพระรหารทั้งหลายเพราะเหตุที่พระองค์ เป็นพระราชาพุ่งให้ทานพระอนาคามีก็ถามว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นทานที่พระราชาพระองค์นั้นอ่ะถวายโดยมีการทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ย่อมมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เป็นเหตุให้พระราชาผู้ทรงบีบบังคับผู้ผู้คนด้วยภาษีที่ทรงใช้ถวายให้เป็นทานพระองค์นั้นพรรระองงค์ทได้บับพระองค์ทรงได้รับความ ได้รับยศและความสุขยิ่งยขึ้นไปเห็นปานชะนีใช่ไหมเอ๊มันก็เก็บภาษีอากรแล้วม า, มาทําบุญใช่ไหมประชาชนเขาทํามาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำํำพระองค์ก็ได้ภาษีอากรมาแล้วพระองค์ไปให้ทานเนี่าายทำไมจึงได้บุญใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่ทาให้ประชาชนได้รับความทุกข์แต่นี้กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพระราชาพระองค์นั้นถึงความเป็นผู้ได้บุญเป็นแน่แท้พระเจ้ามิเินก็เลยตอบว่า พระคุณเจ้าทานที่พระราชาเวสันดรเนี่ยส่งมอบให้ไปนั้นจัดว่าเป็นอติทานอันนี้ขึ้นประเด็นใหม่แล้วนะขึ้นมาเป็นการยกมาตำหนิอีกประเด็นหนึ่ง